ยติกรรมมะวาจาขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าพิกษุชื่อนี้รูปนี้เป็นธรรมกถึกท่านจำสูตรไม่ได้เลยจำวิพังแห่งสูตรก็ไม่ได้ท่านไม่ได้สังเกตใจความย่อมคานใจความตามเขาพยัญชนะถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วพวกเราพึงขับพิกษุชื่อนี้ให้ออกไป แล้วที่เหลือพึงระงับอธิกรณ์นี้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นขับพิกษุนั้นออกไปแล้วสามารถระงับอธิกรณ์นั้นได้นี้เรียกว่าอาธิกรณ์ระงับแล้วอธิกรณ์ระงับด้วยอะไรด้วยสัมมุขวินันในสัมมุขวิไนนั้นมีอะไรบ้าง มีความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยความพร้อมหน้าบุคคลภิกษุทั้งหลายถ้าอาธิกรณ์ระงับแล้วอย่างนี้ผู้ทำหรือฟื้นต้องอาบัติปาจิตตีที่หรือฟื้นภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นอยู่ในบริษัทนั้นเกิดมีภิกษุธรร ม, มกถึกท่านจาสูตรได้ และจำวิพังแห่งสูตรไม่ได้เลยท่านไม่ได้สังเกตใจความย่อมค้านใจความตามเขาพยัญชนะภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นทราบด้วยคณะยะติว่ายติกรรมวาจาขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้รูปนี้เป็นธรรมกระถึก ท่านจำสูตรได้แต่จำวิพังแห่งสูตรไม่ได้เลยท่านไม่สังเกตใจความย่อมค้านใจความตามเขาพยัญชนะถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วพวกเราพึงขับภิกษุชื่อนี้ให้ออกไปแล้วที่เหลือพึงระงับอธิกรณ์นี้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นขับภิกษุนั้นออกไปแล้วสามารถระงับอธิกรณ์นั้นได้ นี้เรียกว่าอธิกอระงับแล้วอธทิกรระงับด้วยอะไรด้วยสามมุขาวินัยในสามมุขาวินัยนั้นมีอะไรบ้างมีความพร้อมหน้าธรรมความพร้อมหน้าวินัยความพร้อมหน้าบุคคลภิกษุทั้งหลายถ้าอธิกรระงับแล้วอย่างนี้ผู้ทำรื้อฟื้น ต้องอาบัตปาจิตตีที่รื้อฟืน